จเจริญสุขท่านสาธุชนและท่านผู้ฟังผู้สนใจใฝ่ฝธรรมทุกท่านพบ ก, กับรายการธรรมะส่สันติอีกเช่นเคยเป็นประจำในวันและเวลาเดียวกันนี้ซึ่งวันนี้อาตมาภาพจะได้นําธรรมะเรื่องศีลสําหรับผู้ปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นตอนที่สองต่อจากกล่าวที่แล้วมาเสนอแด่ท่านผู้ฟังจากคําธรรมะบรรยายของเจ้าประคุณสมเด็จ พระพุท ธ, ธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดสเกตราชโชรมหาวิหารกรุงเทพซึ่งท่านได้บรรยายค้างไว้ตั้งแต่คราวที่แล้วมาเสนอท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งเป็นตอนที่สองซึ่งก็เป็นที่น่าสนใจว่าเราศึกษาและปฏิบัติในข้อปฏิบัติคือเครื่องทากายกับวาจาของเราให้สงบที่เรียกว่าศีนั้น ทำกันอย่างไรมีแง่มุมที่เราจะต้องพินิษนพิจารณาอย่างไรในการประพฤติปฏิบัติศีลของเราให้บริสุทธิ์ให้หมดจดจึงขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านมาตั้งใจสดับรับฟังธรรมบัญญายจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุท ธ, ธาจารย์โดยพร้อมกันณบัดนี้ในขณะเดียวกันเราก็ต้องระวัดระวัง ท่านทั้งหลายปฏิบัติธรรมเมื่อเข้าถึงธรรมแล้วมองอะไรดีไปหมดเพราะใจชุ่มอยู่ในธรรมเราจึงต้องระวังอีกข้างหนึ่งต้องนึกอยู่เสมอว่าพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นงามพร้อมทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจ คนที่เขาเอากายเอาวาจาหลอกเราเราต้องระวังใจเขาไม่งามแต่เขาทำเหมือนกับงามแต่ไม่ได้งามเขาทำเหมือนกับงามแต่ว่าไม่งามจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้กำหนดทิธี ทำาไม่กำหนดให้ดีแล้วเราก็จะไปถูกคนที่เขาหลอกให้งามแต่กายแต่วาจาแต่วัดใจไม่งามแสวงหาสิ่งต่างๆบนความเข้าใจผิดของเราเหมือนกับ เอาหนังราชสีมาหุ้มไว้ท่านทั้งหลายมีโอกาสมาแต่งมาปรุงมา ก, มกา ล, ล่อมเกล้าหล่อหลอมกายวาจาใจแล้วมุ่งให้ดีในส่วนตนเป็นเบื้องต้นไว้แลมองให้รอบขอบมองให้ดีมองให้ลึกซึ้งอย่ามองทีเดียวใกล้ ออกไปอย่างห่างและมองอีกทีหนึ่งมองอย่างมีเหตุมีผลในทุกสิ่งทุกอย่างมีสติสัมปชัญญะอันเราได้มาจากการปฏิบัติธรรมนำออกมาใช้ให้มากที่สุดเท่าที่สามารถจะใช้ได้อันนี้เนี่ยเป็นส่วนของธรรมเป็นส่วนของธรรมะ เมื่อไรเราได้นำเอากำลังที่มีอยู่ในความสงบออกมาใช้ต่อสู้กับอารมณ์ในภายนอกแม้แต่เพียงครั้งเดียวว่าเราได้ต่อสู้นั่นคือการใช้ธรรมะประพฤติธรรมะ ที่เราเห็นได้ชัดเจนว่าเราชนะแล้วข้อนี้เป็นเรื่องสำคัญเวลาที่ท่านมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่จิตสงบประคองไว้รักษาไว้แล้วท่านทั้งหลายก็พยายามที่จะ นำไปใช้ในเมื่อไปพบกับสิ่งทั้งหลายในภายนอกอันเป็นคาาศึกต่อขุนศลเป็นรูปารมณสัท ธ, ธารม์คันธารมณ์รสารมอัต ภ, ภารม์ธรรมารมณ์อย่างที่เขาพูดกันว่าธรรมะของชีวิตประจำวัน ที่เขาพูดกันนั้นส่วนใหญ่ตื้นไม่ลึกไม่ได้ตำหนิที่ว่าเนี่ยแต่ว่าส่วนใหญ่ตื้นและปฏิบัติไม่ค่อยได้พูดได้เราต้องมีธรรมะประจำชีวิตประจำวันต้องมีสติต้องมีสมบชัญญา ต้องมีฮีริต้องมีอตับปักู้กันอยู่นั่นแหละแต่ไม่ค่อยจะเกิดเป็นผลขึ้นมาถ้าจะตั้งเป็นปัญหาถามกันว่าเพราะอะไรก็เพราะใจยังไม่ได้หล่อหลอมนั่นเองไม่ได้หล่อหลอมไม่ได้กล่อมกลาแม้แต่ในขณะสมาทานศีล เกิดเป็นผลดีต้องมาจากสงบใจนี้ต้องสงบเป็นสมาธิแล้วสามารถเก็บรวบรวมไว้ได้นำไปใช้ต่อสู้กับอกุศลข้างนอกทั้งปวงนั่นแหละเป็นธรรมะของชีวิตประจำวันที่กรงถูกต้องและได้ผล ท่านทั้งหลายมานั่งสมาธิแล้วจึงที่ว่าเรามีโอกาสดีกับเขาแหละเก็บสะสมไว้ให้ ด, ใใดีไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดไม่ว่าจะอยู่ในเพศใดต้องต่อสู้กับสิ่งที่รวมเรียกว่าอากุศลด้วยกันทั้งนั้นแม่แต่พระสงฆ์แม่แต่พระ ก็จะต้องต่อสู้กับสิ่งที่เป็นอกุศลถ้ามิฉะนั้นแล้วภูมิของความเป็นสมณะจะขาดไปมันก็จะดิ้นไปแสวงหาสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความเป็นสมณะที่บางทีโยมก็พอใจด้วยเหมือนกันบางทีก็พอใจว่า ท่านมียศท่านมีชื่อเสียงโยมก็พอใจพอใจวาอาตมาเป็นเจ้าคุณโยมไม่ได้พอใจว่าอาตมามีภาวะของกิจเป็นสมณะโยมมองไม่เห็นโยมดีใจแต่ว่าท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณโยมดีใจพระดีใจก็เลย มีอากุศลเข้ามาครอบอยู่ในจิตมองไม่เห็นว่าภาวะที่เราจะต้องต่อสู้นั้นเป็นอะไรเอาศัตรูมาเป็นมิตรของใจซะและ้วเลยมองไม่เห็นว่าอันนั้นคือศัตรูอย่างสำคัญของจิตของเรานี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราไม่รู้ นี่พูดทางฝ่ายพระถ้าหากว่าภาวะของความเป็นสมณะในใจไม่ถึงคนอื่นเขามองอย่างไรช่างแล้วแต่ว่าเราเองต้องถึงคนอื่นทางนอกเขาจะมองว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็มองไปจะมองได้แล้วแต่เขาจะมองแต่เราถึงถึงภาวะแห่งความเป็นสมณะนั่นสำคัญนั่นคือกุศล น, นั่นคือตัวธรรมะ อื่นี่ได้มาประกอบทั้งนั้นไม่ใช่เป็นของจริงไม่จะเป็นของแพ้่อะไรเป็นของสมมติบัญญัติที่สามารถจะทำให้เราหลงติดได้เขาเรียกว่าเจ้าคุณและชื่นใจยิ้มพอขาเรียกว่าหลงตาหลงลงุงไม่สบายใจ เมื่อไรจะได้เป็นพระครูทักทีนะเขจะได้พ้นหลงตาทันทีเมื่อไรจะได้เป็นเจ้าคุณทันทีนะถึงจะพ้นพระครูทันทีไปทางโ น, โน้นยอมมาช่วยกันเสริมไปทางนั้นซะอีกนั่นคือเราไม่ได้เอาธรรมะไปต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้ที่พูดนี้ไม่ใช่หมายความว่าอาตมาเป็นผู้ประเสริฐกว่าผู้อื่น แต่พูดเพื่อต้องการจะชี้ให้เห็นว่าแม้แต่สมณะทีพราหมณ์นี้ก็ต้องมีธรรมะที่จะต้องต่อสู้กับสิ่งที่เป็นอกุศลทั้งละเอียดทั้งไม่ละเอียดทั้งยาวต้องต่อสู้ทั้งนั้นสิ่งเหล่านั้นดีไหมดีแต่ว่าดีข้างนอกไม่ใช่ดีข้างใน ไม่ใช่ไม่ดีนะโยมนะดีถ้าไม่ดีแล้วจะมีประโยชน์กัสังคมได้ยังไงดีดีข้างนอกเสื้อของโยมดีไหมดีไม่มีเสื้อมาวัดได้เลยต้องสวมเสื้อมาแต่ข้างนอกถ้ามาแข่งกันที่สาาการเปลี่ยนหลังนี้วัดเสื้อของคุณซื้อจากอังกฤษเหรอ้อของฉันซื้อจาก ฝรั่งเศสนะยี่ห้อนี้ดีเหลือเกินโยมก็ต้องมานั่งแข่งเสื้อกันในศาลาตอนการเรียนหลังนี้แหละไม่ได้มา น, นึกถึงว่าเอ๊ะเราจะทำใจยังไงถึงจะให้ใจของเรามันเลยเสื้อไปหน่อยอย่าติดอยู่ที่เสือ้อให้เลยเสื้อไปหน่อยถ้าจะถามว่าเสื้อสำคัญไหมสำคัญนล่ทำไมไม่สำคัญ ไม่มีเสื้อมาได้ยังไงก็ต้องสวมเสื้อมาอ้าวแล้วจะทำยังไงให้ใจมันอยู่เหนือเสื้อเสื้อผ้าเพื่อต้องการที่จะใช้สิ่งเหล่านั้นให้มันเป็นประโยชน์ตามประโยชน์ของมันนี่ตัวอย่างจะได้ตัวอย่างทั้งขวายโยมทั้งขวายพระ เพราะงั้นที่เรามีโอกาสได้มาปฏิบัติธรรมนี่เป็นโอกาสที่เราจะได้สั่งสมจิตที่เป็นกุศลให้มีพลังโดยเฉพาะคือความสงบความนิ่งของจิตที่เรียกรวมโดยคำบาลีว่าเอกคตาให้มีพลังขึ้นมา ให้เป็นกําลังขึ้นมาให้มากให้มากให้มากเพื่อที่จะนําไปต่อสู้กับสิ่งที่เป็นอกุศลต่างๆมากเข้ามากเข้าแล้วเราจะมองเห็นเองว่าอ๋อนี่มันเสื้อนี่เองอะ่ะจะมองเห็นได้ว่าอ๋อนี่มันบ้านนี่เองอะ่ะสำหรับอยู่จะได้มองเห็นว่าเออเงินที่มีอยู่มากนั่นเงินนี่เองอะ่ะสำหรับใช้ มองเห็นแต่ถ้าจิตยังไม่สามารถที่จะรวมเป็นพลังแห่งความสมบงบไปยในกคตามสสีสติและสมรจัญญะสมบูรณ์ไม่ได้มองอย่างนั้นเมื่อไม่ได้มองอย่างนั้นแล้วสิ่งที่เป็นอกุศลก็จะเกิดเพิ่มพูนขึ้นเพิ่มพูนขึ้นคนที่มีสิ่งต่างๆจึงแตกต่างกัน คนที่มีทมอยู่ในใจดีแล้วมีสิ่งต่างๆใช้ได้สะดวกไม่ติดถัดและประเสิริฐก็คือไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจอีกพวกหนึง่งใช้ได้โดยสะดวกเหมือนกันแต่ตกอยู่ภายใต้อำนาจต่ำกว่าใจอยู่ใต้เสื้อ ใจใยอยู่ใต้บ้านใจอยู่ใต้เงินใต้ทองไม่อยู่บนอยู่ใต้โยมฟังให้ดี <c oughs> เดี๋ยวจะว่าท่านจะคุณว่าเงินทองไม่สาคัญทำไมถึงเป็นอย่างนั้นประเทศชาตินี่เขาว่าอยู่ได้ด้วยเงินด้วยทองด้วยเศรษฐกิจท่านจะคุณทำไมพูดคัดค้าน วา่าไงดีสิ่งเหล่านั้นสำคัญไม่ใช่ไม่สำคัญแต่สิ่งเหล่านั้นทำไม่ยุ่งเพราะอะไรเพราะใจของเราไม่อยู่บนสักทีนี่มาอยู่เนือนี่อยู่ตายอยู่เรื่อยนี่สิจะทำยังไงกันเนี่ยที่อยู่ตายอยู่นี่แหละที่เขามักจะพูดว่าอยู่เป็นธาตน่ะแต่คำนั้นแรงไปอย่าพูดเลยเราก็ยังทำไม่ได้เราค่อยๆทำขึ้นไป อันนี้สิสาคัญไม่ใช่ว่าเงินทองไม่สําคัญบ้านไม่สําคัญเราอยู่กระต๊อบก็ได้มีหลังคามุงจากก็อยู่ได้เดี๋ยวเขาไหว้เออศาสนาสอนไปสอนมาให้เมืองไทยมีแต่กระต๊อบไม่พัฒนาสักทีนี่พระนี่สอนผิดคนว่าได้ยิบเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นสําคัญไม่ใช่ไม่สําคัญ เราทำไม่มีขึ้นมาเถิดพระพุทธเจ้าท่านก็บอกปุทราตาวินทะเตทนังมีความขยันหมั่นเพียรแล้วสิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นแต่ว่าเกิดขึ้นแล้วทำอย่างไงให้ใจของเราอยู่เหนืออย่าอยู่ใตน้นี่แหละสำคัญอยู่ที่จุดนี้เพราะงั้นขอให้โยมกำหนดให้ดี ข้อนี้แหละที่จะทําให้พลาดได้เพราะทำพอพลาดแล้วก็ว่าอาไม่ต้องไปมีอะไรลักบ้านก็ต้องไม่ต้องมีเสื้อก็อย่างนั้นแหละไม่ต้องซักก็ได้สวมมาเหม็นเหม็นก็ได้ไม่เป็นไรเหม็นเป็นของภายนอกหอมก็เป็นของภายนอกเราไม่ต้องพูดถึงหอมเหม็นหอมนี่จะผิดอย่างนั้นจะไปอย่างนั้น เราถืออย่างนั้นกันหมดเข้ามาในนี่เสื้อเหม็นหมดนั่งกันได้ยังไงไม่ใช่พระพุทธศาสนาไม่ใช่พระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาต้องมีสิ่งทั้งหลายอำนวยความสะดวกแต่จิตอยู่บนอยู่เหนือไม่ใช่อยู่ใต้ถ้าเราเกิดความเข้าใจไม่ดีกลับอยู่ใต้อีกนะ ไม่ต้องไปถืออะไรมันหรอกทำให้ผิดไปอีกเขะไปอีกก็กลายเป็นอยู่ใต้ไปอีกคอนี้ควรที่จะได้ค่ยครควรให้ดีท่านทั้งหลายมีโอกาสดีแล้วอาตมานึกว่าจะพูดสักิบนาทีเลยไปเลยไปสิบห้านาทีต้องขออภัยด้วยเวลาปฏิบัติธรรมมีน้อยใช่แล้วแต่ขอให้ได้นั่งอีกสัก ถึงชั่วโมงเอถึงยังไงเพราะว่านั่นเป็นเรื่องที่สำคัญที่พูดมาทั้งหมดนี้ก็ด้วยประสงค์ว่าเราได้มาอยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วเรามีโอกาสดีแล้วเราก็จะได้ใช้สิ่งที่ดีนี้ให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตของเราอย่างถูกต้องที่สุดดีที่สุดอาตมาจึงขออยุติไวเพียงเท่านี้ในโอกาสที่อาตมาได้ มาร่วมในเบื้องต้นเป็นบุญเป็นกุศลนี้ขออนโมทนาชื่นชมยินดีในบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายจะได้จะได้ปฏิบัติสั่งสมบำเพ็ญสืบต่อไปขอเดชะอำนาจคุณประสีรัตนตรยัยบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้สั่งสมมาเป็นบารมีพร้อมทั้งเดชาอนุภาพ แห่งบุรพาจารย์ท่านที่ทรงไว้ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์สำคัญทั้งหลายทั้งปวงจงมารวมเป็นอันเดียวกันดลบรรดาลให้ท่านทั้งหลายได้มีจิตใจชื่นบานแจ่มใสในประธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและได้ส ม, มิติในการปฏิบัติธรมรมพร้อมทั้งในสิ่งที่ประสงค์อันชอบ โดยทั่วถึงกันทุกท่านเทินสาธุที่สาธุชนได้รับฟังจบไปนั้นก็เป็นธรรมบรรยายของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุท ธ, ธาจารย์วัดสเกต ร, ราชวรมหาวิหารกรุงเทพกรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าคณะใหญ่ผลตะวันออกท่านได้อธิบายเรื่องศีล ส, สำหรับ ผู้ปฏิบัติธรรมให้สาธุชนได้รับฟังกันช่วงเวลาที่เหลือต่อจากนี้ไปอาตมาขอนำวิธีรักษาอุโบสถศีลมาสู่ท่านสาธุชนเพื่อเป็นความรู้ในเรื่องของการรักษาอุโบสถศีลว่ามีเป็นความเป็นมาอย่างไรอุโบสถศีลหมายถึงการเข้าจำคือการอุทิศตัวอุทิศใจเข้ามาประจำอยู่ประจำในศีลโดยเคร่งครัดตลอดเวลา เป็นการทำกุศลกรรมคือความดีอย่างหนึ่งของครือข่าผู้ยังอยู่ครองเรือนเป็นอุบายหลีกเว้นจากความชั่วทุจริตและสิ่งยั่วยวนทั้งภายในและภายนอกให้ห่างไกลได้ชั่วระยะที่เวลารักษาอยู่เป็นอุบายขัดเกลากิเลสอย่างหยาบซึ่งเคยสะสมไว้ให้เบาบางหรือหมดสิ้นไปเป็นเหตุให้ใจของเราได้รับความสุขสงบ อันเป็นความสุขที่ยอดเยี่ยมหาไม่ได้ง่ายนักในเพศคารวาสเว้นการรักษาอุบัตสุดเสียแล้วผู้เป็นคารวาสจะสามารถรักษาศีลของตนให้หมดจดหรือรักษามารยาท ต, ต่างๆให้อยู่เป็นปกติวิสัยได้ด้วยดีตลอดไปนั้นเป็นสิ่งที่ทําได้ยากเหลือเกินเหมือนกับงมเข็มในมหาสมุทรเหมือนและเหมือนกับหาความซื่อสัตย์จาก คนคดโกงฉะนั้นด้วยเหตุนี้ท่านผู้มีปัญญาเป็นเห็นประจักษ์หวังจะผลักความชั่วออกจากตนไปหรือไฝ่ประพฤติในคุณความดีให้แก่ตนจึงควรฝึกฝนเอาใจใส่หาโอกาสมารักษาอุโบสถกันตามกำลังแก่ความสามารถที่จะทำได้อันอุโบสถนั้นท่านแยกไว้เป็นสองประเภทคือหนึ่ง ปกติอุโบสถ 2. ปฏิชาคระอุโบสถปกติอุโบสถนั้นคืออุโบสถที่รับรักษากันตามปกติเฉพาะวันหนึ่งกับคืนหนึ่งอย่างที่อุบาสกอุบาสิการักษากันทั่วไปเป็นปกติในวันธรรมะสวนะัสในช่วงเข้าพรรษาก็ดีหรือในช่วงปกติผู้ที่มีกําลังใจแก่กล้าก็สามารถรักษาได้ในเฉพาะวันธรรมะสวนะ จะเป็นห้าค่ำเอ่อจะเป็น8คดค่ำหรือ15บห้าค่ำก็รักษากันเป็นปกติวันหนึ่งกับคืนหนึ่งสมาทานเอานี่ก็เรียกว่าเป็นปกติอุโบสถและก็อย่างที่สองคือปฏิชาคระอุโบสถคืออุโบสถที่รับรักษาเป็นพิเศษกว่าปกติธรรมดาคือรักษาคราวละสวันจัดเป็นวันรับวันหนึ่งวันรักษาวันหนึ่ง และวันส่งอีกวันหนึ่งเช่นจะรักษาอุโบสถศีลในวัน8ค่ำก็จะต้องรับรักษาตั้งแต่เช้าของวัน7ค่ำตลอดไปจนถึงสุดวัน9าค่ำคือเช้าวัน10ค่ำนั่นแหละจึงหยุดรักษาเป็นอันครบสาวันพอดีปฏิชาคระอุโบสถนี้ในปัจจุบันไม่ค่อยนิยมรักษากันเท่าไรนัก สรุปแล้วอุโบสถทั้งสองประการนี้โดยเนื้อแท้ก็คือการรักษาศีลแปดอย่างเคร่งครัดนั่นเองเป็นเ อ, ก, นเนเอกัดชะสมาทานเป็นเอกัดชะสมาทานคือผูกใจอย่างแน่วแน่ที่จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ตลอดเวลาที่สมาทานให้ไม่ทำให้มีมนทินในขณะที่ตนเองรักษานั่นเองจึงเป็นเหตุให้เกิดประโยชน์สาคัญดังกล่าวแล้วข้างต้น และการรักษาอุโบสถนี้มีใช่ว่าจะรักษาได้เพียงชั่ววันหนึ่งกับคืนหนึ่งหรือเพียงสามวันดังกล่าวเท่านั้นหากท่านผู้ใดมีกิจศรัทธาอย่างแรงแรงกล้าที่จะรักษาให้มากกว่านั้นไปจะเป็นตลอดพรรษาหรือตลอดชีวิตก็ตามจะเป็นการดียิ่งขึ้นไปเพียงนั้นหรือมีความมีความสามารถกำลังน้อยจะรักษาเพียงแค่วันหนึ่งคืนหนึ่ง เท่านั้นก็ย่อมได้ซึ่งยังดีกว่าผู้ไม่เอาใจใส่ในเรื่องนี้เลยมากหมหยนักและผู้รักษาเพียงชั่วเวลาเล็กน้อยอย่างนี้แต่พยายามรักษาอย่างมั่นคงเคร่งครัดบางทีจะยังได้ผลดีกว่าผู้รักษามานานแต่ประมาทย่อหย่อนปล่อยปละละเลยในศีลของตนเสียด้วยซ้ำเพราะเหตุนั้นจึงไม่ควรประมาท ผู้รักษาอุโบสถอย่างเคร่งครัดเพียงช่วเวลาเล็กน้อยเหมือนอย่างไม่ควรประมาทไฟยาพิษเศษกรรมและหนี้ศีนว่าเล็กน้อยฉะนั้นนี่ก็เป็นการรักษาอุโบสถที่วันนี้ทางรายการธรรมสุสันตินำมาฝากท่านผู้ฟังในช่วงท้ายของรายการเป็นความรู้เกี่ยวกับการรับรักษาศีลในวัน8ค่าในวัน15คหา หรือเรียกสั้นๆว่าวันธรรมมะสวนะและถ้าผู้ใดมีจิตศรัทธาที่จะปฏิบัติเข้มแข็งก็สามารถกระทำได้ดังที่กล่าวแล้วข้างต้นสำหรับวันนี้รายการธรรมสู่สันติกก็ได้นำสารธรรมเกี่ยวกับเรื่องศีลและศีลอุโบสถมาฝากท่านผู้ฟังหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสาธุชนผู้ติดตามรับฟังจะได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสม แก่ศีลของตนตามกำลังความสามารถและศรัท ธ, ธาที่แก่กล้าขึ้นไปตามลำดับสำหรับวันนี้เวลาของธรรมะส่สันติก็หมดลงแล้วขอเชิญท่านผู้สนใจในการศึกษาและปฏิบัติธรรมโปรดติดตามสารธรรมจากทางรายการได้ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ด้วยอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนไตรขอจงช่วยมาปกปักอภิบาลคุ้มครองสาธุชนผู้ฟังทุกท่าน ให้เป็นผู้ปราศจากภัยพิบัติทั้งปวงมีอายุมั่นขวัญยืนทุกท่านทุกคนเทินเจริญพร